ต่อไปเช่นนั้นในขณะที่เรากําลังได้รับทุกข์เพราะผลลกรรมของเราขอให้ภูมิใจคิดว่าเรากําลังผ่อนใช้นี่กรรมเก่าขอให้ภูมิใจที่เราสามารถใช้นี่กรรมเก่าได้้ารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ เธอก็จะสบายใจขึ้นและมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้อดทนต่อความทุกข์นั้นต่อไปจนกว่าจะพ้นทุกข์นี่เป็นประการที่สองและประการที่สามแหะท่านอาจารย์ประการที่สาเธอต้องรู้ความจริงว่าสุขหรือทุกข์ บางอย่างเกิดจากความยึดถือด้วยความหลงผิดหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเองตัวอย่างเช่นมนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าตัวเราเมื่อ20ปีก่อนเป็นคนเดียวกับตัวเราในปัจจุบันเมื่อตัวเรา20ปีก่อนทำซํำอะไรไว ไม่ว่าดีหรือชั่วก็เข้าใจว่าตัวเราในปัจจุบันเป็นผู้ทำเข้าใจอย่างที่ก็เกิดความทุกข์หวนคิดถึงกรรมชั่วในอดีตความเป็นจริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นความเป็นจริงเป็นยังไงท่านอาจารย์ความเป็นจริงตัวเราเมื่อ20ปีก่อน ไม่ใช่คนเดียวกับตัวเราในขณะนี้อยาว่าแต่ยี่สิบปีเลยตัวเราเมื่อปีกายนี้ก็ดีเดือนก่อนนี้ก็ดีวานนี้ก็ดีช้า ว, วันนี้ก็ดีแม้ไหนที่สุดที่เพิ่งผ่านไปนี้ก็ดีหาชายคนเดียวกับเราในปัจจุบันไม่เพราะอะไรท่านอาจารย์ เพราะตัวเราเป็นสภาวะธรรมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นลำดับเหมือนเปลวไฟเปลวไฟในขณะนี้กับเปลวไฟเมื่อสักครู่หาใช่เปลวเดียวกันใหม่เพราะว่าเปลวไฟยอมอาศัยเชื้อเพลิงคือน้ํามันอาศัยใส อาศัยอากาศและความร้อนไหลเข้าไปอยู่ตลอดเวลาจึงดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นเปลวไฟที่เราเห็นเป็นเปลวเดียวกันนั้นหาใช่เปลวเดียวตลอดเวลาใหม่แต่ประกอบด้วยเปลวนับจํานวนไม่ถ้วนซึ่งเกิดดับเกิดดับซืบต่อกันไปอย่างรวดเร็ว จนเราไม่สามารถมองเห็น่องที่มันขาดระยะได้เปลวชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนกันต้องอาศัยปัจจัยต่างๆสารพัดจากเช่อนอาหารอากาศความร้อนอารมณ์ภายนอกไหลเข้าไปเสริมไว้จึงมีชีวิตติดต่อกันไป เป็นระยะอย่างรวดเร็วจนเรามองไม่เห็นช่วงที่ขาดตอนเห็นเป็นคนคนเดียวกันตั้งแต่เกิดจนตายความจริงแล้วไม่ใช่คนคนเดียวกันตัวเราที่อยู่มาได้จนทุกวันนี้ประกอบด้วยคนจํานวนไม่ทวน มหาบาพิตรเท่าที่อาตมาเล่ามานี้มหาบาพิตรรู้สึกยังไงบ้างเข้าใจบ้างไหมเท่าที่พระคุณเจ้าแนะนำมานี้รู้สึกว่าเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยากแก่การเข้าใจจริงทีเดียวมหาบาพิตรเป็นธรรมอันละเอียดลึกซึ้งและเป็นการหักล้างความเชื่อถือดั้งเดิมของมนุษย์อีกด้วย พระมนุษย์ตุกยุคทุกสมัยเข้าใจว่าคนเราเป็นคนเดียวกันตั้งแต่เกิดจนตายทั้งร่างกายและจิตใจต่างเชื่อกันมาด้วยความเข้าใจผิดเป็นเวลาพันๆปีการที่จะให้เชื่อเป็นอย่างอื่นจึงทำได้ยากเพราะเท่ากับเป็นการปฏิวัติจิตใจใหม่เป็นการทวนกระแสถึงแม้จะเป็นเรื่องอยากแต่โยมก็จะพยายามพิจารณาคล้ายคลวนให้กอดใจ แต่หากมันจะช่วยบรรเทาทุกข์ของโยมได้ใครจะเข้าใจยังไงก็ตามความจริงตามธรรมชาติก็มีอยู่อย่างนั้นการเข้าใจว่าตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบันไม่ใช่คนเดียวกันจะช่วยบรรเทาทุกข์ได้มากทีเดียวช่วยบรรเทาทุกข์อย่างไรพระคุณเจ้าอาจารย์ของอาตมาสอนว่าถ้าตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบันไม่ใช่คนเดียวกัน กรรมชั่วที่ทำไว้ในอดีตก็ไม่ใช่ตัวเราในขณะนี้ทำเป็นกรรมซึ่งอดีตของเราเคยทำไว้เวลานี้เราเป็นคนใหม่แล้วใหม่ทั้งกายและทางใจเฉพาะ อ, อย่างยิ่งจิตใจของเราขณะนี้เป็นใจใหม่ป ร, มรรหรประกอบด้วยรู้จริงเห็นจริงประกอบด้วยหิริโอตับ ป, ปะไม่ใช่ใจมันบอดมืดเลวร้ายเหมือนใจอดีต เมื่อเข้าใจตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตรับทันมารมเก่าๆที่น่าเศร้าใจเกิดผัสสะขึ้นมาทุกขเวทนาก็จะไม่เกิดถึงแม้จะเกิดขึ้นก็ไม่รุนแรงถ้าทุกขเวทนาเกิดวิภาวตันหาคือความอยากหนีไปซะให้พ้นอนิธารมนั้นก็จะไม่เกิดถึงแม้จะเกิดขึ้นก็มีกาลังอ่อน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 และจะไม่มีทางบริสุทธิ์ตราบเท่าที่ยังเป็นตัวคนเดียวกันโยมเข้าใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทีเดียวมหาะพิษความจริงนั้นในอดีตตัวเราทากรรมชั่วไว้มากเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าในขณะ น, นี้เราไม่ได้มีส่วนผิดด้วยถ้าตัวเราในขณะนี้สำนึกผิดปิดประตูความผิดเสียกลับจิตกลับใจใหม่ได้ เราก็เป็นคนใหม่อย่างสิ้นเชิงโยมเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าโยมเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังสงสัยอยู่มหาปพิธสงสัยอะไรถ้าตัวเราเวลานี้บริสุทธิ์แล้วทําไมเรายังทนทุกข์ทรมานอยู่ เพราะเหตุสองประการมหาบอผิดเหตุ2องประการอะไรพระคุณเจ้าประการแรกยังถอนความเชื่อถือเดิมไม่ได้เข้าใจว่าตัวเราในอดีตกับขณะนี้เป็นคนคนเดียวกันถ้ามหาบอพิดถอนอุ ป, ปาทานตัวนี้ได้จริงก็สามารถหักข้ามความทุกข์ได้สิ้นเชิงเหมือนอย่างพระอรหันต์ขีนาสะทั้งหลายนี่คือประการแรก และประการที่สองลักประคุณเจ้าประการที่สองเศษผลของกรรมที่ตามมากับความเกี่ยวข้องระหว่างอดีตกับปัจจุบันแม้อดีตกับปัจจุบันจะคนละส่วนแต่ก็เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิดเหมือนพ่อเกี่ยวเนื่องกับลูกลูกเกี่ยวเนื่องกับหลานแต่ถึงแม้พ่อกับลูกจะเป็นเหตุเป็นผลของกันก็เป็นคนละคนพ่อทำความชั่วลูกอาจบริสุทธิ์อยู่ได้ แต่อาจจะได้รับความทุกข์อันเกิดจากการกระทํากรรมชั่วของพ่อเช่นพ่อทําผิดอาญาแผ่นดินมีโทษถูกจองจําลูกหาได้มีโทษถูกจองจําด้วยไมย่เพราะลูกเป็นผู้บริสุทธิ์แต่การกระทําของพ่ออาจจะส่งผลคือความทุกข์ให้ลูกเช่นอาจโศกเศร้าเพราะพลัดพรากจากกันอาจขาดแคลนทรัพย์เพราะขาดหลักสําคัญขอ ง, ของครอบครัวอาจถูกเขาตําหนิ เพราะพ่อตัวเป็นคนชั่วโยมรู้สึกสบายใจขึ้นมาเห็นแล้วว่าอาชาตศัตรูที่ปรองพระชนพระชนกกับประชาศัตรูที่นั่งฟังเทศอยู่ขณะนี้เป็นคนละคนอาชาติศัตรูคนนี้บริสุทธิ์แต่ก็ต้องประสบทุกข์จากกรรมชั่วที่อาชาติศัตรูคนก่อนทําไว้เพราะเกี่ยวเนื่องทางสายโลหิตอย่างใกล้จิตแต่ว่าท่านผู้เจริญ โยมเข้าใจแจมแจ้งความจริงข้อนี้แล้วอาจมีความสุขแต่กับคนอื่นๆโยมจะทำยังไงทำไมเหรอมหาบาพิตรคนอื่นเกลียดชังโยมทำยังไงจึงจะให้เขาหายเกลียดชัง <1> 1> เวลานี้คนทั่วไปเคารพกราบไหว้แต่ก็ทำเพราะความเกรงกลัว หรือทำตามหน้าที่เท่านั้นหาได้ทำด้วยความเคารพโดยสุดใจเหมือนกับที่ทำต่อพระชนกใหม่โยมรู้สึกตัวคลาอยู่ท่ามกลางศัตรูกำลังจ้องมองดูด้วยสายตาอาฆาตมา ร, ร้ายมันทำให้โยมไม่มีความสุขพระคุณเจ้าจะช่วยโยมได้อย่างไงท่าที่เขาเปรียดชังพระองค์ก็เพราะความเข้าใจผิดนั่นเองเข้าใจว่ า, าชาติศัตรูองค์นี้ เป็นองค์เดียวกับอาชาติศัตรูที่ปรงพระชนพระชนกถ้าเขาเข้าใจสมัยว่าเป็นคนละองค์กันเขาก็จะเลิกเปรียยชังมีวิธีใดที่จะทําให้เขาเห็นอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องปฏิบัติให้เขาเห็นว่าพระองค์เป็นคนละคนกับพระเจ้าอาชาติศัตรูองค์ก่อนในเมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูองค์ก่อนมีพระทัยโหดร้ายทารุณพระองค์ก็ปฏิบัติให้เห็นว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูองค์นี้สํานึกได้แล้ว มีพระไทยเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาแม้แต่สตัตว์เดรัจฉานก็ยังฆ่าไม่ได้กระทาการกุศลต่างๆถ้าพระองค์ทำได้เช่นนี้อาตมาเชื่อว่าประชาชนจะให้อภัยและหันมาเคารพรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนเดิมสาธุขอพระคุณท่านอย่างสูงที่ให้แสงสว่างทางธรรมะจนโยมันเท่าทุกลงได้เท่ากับท่านได้ช่วยชีวิตโยมไว้ทีเดียว โยมขอพึ่งพระคุณเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตและขอประวารณาพระคุณเจ้าด้วยปัจจัยสี่ตั้งแต่บัดนี้โยมเป็นอาชาติศัตรูองค์ใหม่อัตมาขออนุมโมทนา วันนั้นเป็นต้นมาชาวพระนครราษฎริก็ได้รับแต่ข่าวดีพระราชาทรงสละพระราชาทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงทานตามประตูเมืองและในใจกลางพระนครแจกจ่ายอาหารและเสื้อผ้าแก่บรรดาญาจกวานิพกและสมณพราหมณทรงให้มีการบูรณะปฏิสังขรณอารามต่างๆทั้งของพระพุทธศาสนาและลัทธินิกายทั้งหลาย ทรงประธานนิรโทษกรรมแก่บรรดานักโทษและทรงออาพระทัยใส่ต่อการบำบัดคุกบำรุงสุขแก่อนาประชาราษฎรอย่างจริงจังทำให้ประชาชนมีความสงบสุขเกิดความรักพระองค์อย่างไม่เคยรักมาก่อนเสียงแท้ซองสาธุการสรรเสริญพระคุณกษัตริย์อาชาศัตรูดังเซ็งแซ่อยู่ทั่วไป พบกันสนานเชิญท่านข้าพเจ้ามาพบท่านวันนี้ก็เพราะมีเรื่องจะมาคุยด้วยเชิญอุบาสกข้าพเจ้ารู้สึกใจไม่ดีที่ได้ข่าวว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูได้กลับกลายเป็นพระปิยราชของประชาชนไปเสียล้วด้วยการกระทําความดีต่างๆของพระองค์เทวมิตาทุกครั้งที่ท่านมหาอัตมาเนี่ยท่านอาบน้ําชำระร่างกายบริสุทธิ์สะอาด แต่ทำไมคราวนี้จึงมาหาด้วยเนื้อตัวสกรปรกโสมมเชิญท่านกลับไปบ้านอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดก่อนแล้วกลับมาหาอาตมาใหม่ดูถูกเยียดหยามมากเกินไปแล้วเอาเถอะข้าพเจ้าจะกลับหยุดก่อนเทวมิตรมีอะไรจะพูดอีกละ่ะทำไมท่านจึงยอมแพ้ ง, ง่ายๆเช่นนี้ท่านเคยพ่ายแพ้ต่อติดตถาปะละหลานชายมหาวีรามาแล้ว ท่านจะอยู่ในฐานะผู้แพ้ตลอดไปอย่างนั้นเหรอนั่งลงก่อนสิเทวมิตตก็ได้อาตมาเคยเทศนาสั่งสอนท่านตรงๆงมามากแล้วแต่ท่านก็ยังไม่เข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาอยู่นั่นเองจึงตัดสินใจใช้วิธีอ้อมค้อมดูบ้างท่านคิดดูสิว่าที่อาตมาบอกว่าท่านยังไม่ได้อาบน้ําหมายความว่ายังไงข้าพเจ้าไม่ทราบ คิดสิเดี๋วท่านก็จะรู้ว่าไงละ่ะท่านพอจะรู้ความหมายหรือยังข้าพเจ้าเข้าใจแล้วอุบาสกเข้าใจว่ายังไงที่ท่านว่าข้าพเจ้ามาหาท่านด้วยตัวอันศกปรกนั้นหมายความว่าข้าพเจ้ามาพร้อมด้วยจิตใจอาฆาตพยาบาทพระเจ้าอาชาติศัตรูถูกแล้วอุบาสกตราปลายที่ยังมีความพยาบาทในจิตใจท่านก็ยังศกปรก และเดือดร้อนเป็นทุกข์ท่านควรล้างมันออกเสียเป็นการสมควรแล้วเหรอบุรุษที่ฉลาดจะพึงแบกทุกข์ไว้หอบเอาไฟไว้เผาใจตัวเองเวลานี้พระเจ้าอาชาศัตรูได้กลับกลายเป็นพระราชาพระองค์ใหม่แล้วอาณาจักรมคตได้กลายเป็นอาณาจักรใหม่สมควรแล้วเหรอที่ท่านจะยังเป็นเทวมิตรคนเดิมพระเจ้าอาชาศัตรูมีความสุขแล้ว ท่านยังจะแบกทุกต่อไปอีกเหรอข้าพเจ้าจะเป็นเทวมิตรคนใหม่ถูกแล้วควรจะเป็นเช่นนั้นอัตมาดีใจด้วย วายพระพรลาพระเจ้าอาชาศัตรูและพุทธบริษัททั้งสี่ออกเดินทางจาริกบอมเพนเพียนและเทศนาสั่งสอนประชาชนโดยมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกเราเดินทางไม่รีบร้อนนักคําที่หมู่บ้านไหนก็ปักกลดหยุดพักพรแต่แล้วเมื่อบ่ายวันหนึ่งขณะที่เดินทางอยู่ในป่าหยุดก่อนอย่าเพิ่งไปใครกันนะ ชายร่างกายกำยำล่ำสันหนวดคราวรุ่มร่ามหน้าตาเยี่ยมเกรียมดุดันสี่คนออกมาจากข้างทางจับเอาตัวไ้เรื่องอะไรมาจับอาตมาเนี่ยไม่ต้องพูดมาเอาตัวไป <c oughs> ชายร่างกายกรรำยำล่ําสันหนวดเครารุ่มร่ามหน้าตาเฮี้มเกรียมดุดันทั้งสี่คนเอาตัวมานั่งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วลงมือตรวจคนลักษณะอย่างนี้จะเป็นอื่นไปไม่ได้เราจะชายทั้งสี่นี้จะเป็นโจรคอยดักต้นผู้คนในป่าถึงจะรู้ว่าเป็นโจรก็ไม่ได้นึกกลัวเป็นเรื่องธรรมดาซะแล้ว ก่อนนั้นก็เคยเป็นโจรเคยถูกหัวหน้าสั่งให้ไปจับคนมาบูชายันถวายเจ้าแม่กาลีก็ได้ไปจับพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งพระภิกษุรูปนั้นได้เกลีย้ยกล่อมโจรจนกระทั่นกลับใจเลิกเป็นโจรออกบวชปฏิการที่ถูกจับมาคราวนี้คงเป็นเศษกรรมที่ได้ทําไว้ว่าไงพบอะไรบ้างไหมไ ม, ไม่พบอะไรตามเคยหัวหน้าอนะ่าพวกสมณะ น, นี่ไม่เอาไหน ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลยรายไหนรา่นั้นเป็นควาน้ำเหลวทุกทีเราจะทำยังไงดีล่นะหัวหน้าอืมข้ากำลังคิดอยู่คิดช้าไม่ได้นะหัวหนะ้าทำไมเวลานี้เราไม่มีอะไรจะกินกันแล้วสองสามวันมานี่ไม่มีคนผ่านป่าเลยจะเอายังไงก็ให้เรียบคิดดู็ล้วมันคิดไม่ออกจะให้เร็วได้อย่างไรง哟อุปาศกอาตมาขอถามหน่อยเถอะ อย่ายุ่งได้ไหมสมณะอย่าเพิ่งถามนี่คนกำลังหนุดกงิดถ้าไม้ระบายออกสะบ้างมันจะระเบิดนะอุบาสกเอานะอะไม่อะไรจะพูดพูดเลยเร็วการที่ท่านจับอาตมามาคราวนี้ก็ดีการที่ท่านเข้ามาอยู่ในป่าเพื่อปล้นสะดมคนเดินทางอย่างนี้ก็ดีท่านต้องการทรับย์ใช่ไหมอ๋ออันแน่แล้วสิสมณะท่านไม่น่าจะถามเลยถ้าอย่างนั้น อาตมารู้สึกว่าท่านหาทรัพย์ผิดที่ซะแล้วหาทรัพย์ผิดที่ผิดยังไงท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าที่นี่เป็นป่าใช่ไหมใช่เลแล้วท่านจะมาหาทรัพย์อะไรในป่าล่ะทรัพย์อยู่ที่ไหนล่ะช่วยบอกหน่อยสิสมณนะ ทรัพย์ก็อยู่ที่คนน่ะสิและคนย่อมอยู่ในบ้านในเมืองถ้าท่านอยากได้ทรัพย์ท่านก็ควรจะไปปล้นเอาตามบ้านตามเมืองอัตมารับรองว่าท่านจะพบเหยื่อที่จะปล้นได้ทุกวันไม่ต้องมานั่งคอยนอนคอยอดอดอยากอ ย, ยากอยู่อย่างนี้สมานาดิทั้งไม่รู้อะไระเลยท่านใ้อาัตามารู้อะไรล่ะเกี่ยวกับงานของโจร น, น่ะสิจริงสินะ อาตมาอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับงานของโจรมีอะไรก็ที่ท่านจะให้เข้าไปต้นในเมืองนั่นขืนเข้าไปสิก็ถูกราชบุรุษจับไปประหารชีวิตแล้วเท่านั้นเราเคยมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยที่ต้องมาลบลบซ่อนๆอยู่ในป่านเนี่ยก็เพราะเคยต้นในเมืองมาแล้วนั่นเองถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านยังรักชีวิตอยู่ใช่ไหมอใช่สิถ้าไม่รักชีวิตป่านี้ถูกจับไปประหารชีวิตแล้ว ที่รอดมาถึงเดี๋ยวนี้ได้ก็เพราะอาศัยการระบบซ่อนๆอยู่ในป่าอย่างนี้ล่ะแล้วในที่สุดจะเป็นยังไงถ้าท่านยังประกอบอาชีพโจรต่อไปอ้าวถ้าโชคดีก็อาจตายอย่างคนไรา้ ย, ยากในป่านี้โชคร้ายหน่อยก็อาตายในการต่อสู้กับเยื่อของเราถ้าเคราะร้ายกว่านั้นก็อาถูกลาดาบุรุษจับได้แล้วนําไปประหารชีวิตฟังดูอนาคตของท่านแล้ว อาตมายังมองไม่เห็นเลยว่าท่านรักตัวท่านอย่างไรเอ๊ะธรรมะในช่างฟังอะไรไม่รู้เรื่องเอาซะเลยอุ้ยน่ารำคาญอาตมาต้องขอโทษที่ฟังอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าสติปัญญาของอาตมาน้อยเกินไปก็ได้อาตมาขอถามท่านก่อนว่าท่านรักลูกของท่านหรือไม่รักสิทำไมจะไม่รักถึงเป็นจรก็ยังรักลูก เมื่อท่านรักลูกท่านอยากให้เขามีความสุขหรืออยากให้เขามีความทุกข์ก็อยากให้เขามีความสุขสิเอ๊ะไม่น่าถามดีแล้วอาตมาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเรื่อง อ, อะไรอีกรนะ่บมันเป็นเรื่องประหลาดแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราด้วย พวกท่านได้ฟังแล้วก็จะรู้เองว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเป็นเรื่องประหลาดมากนั่นเหรอก็นับว่าประหลาดนั่นแหละเอา้างั้นเล่าไปเลยสมณะเมื่อไม่นานมา น, นี้มีสหายสองคนอยู่ที่เมืองราชคฤหทั้งสองคนรักกันมากอยู่ด้วยกันไปด้วยกันทำงานด้วยกันร่วมสุขร่วมทุกข์กันอย่างใกล้ชิดอยู่มาวันหนึ่ง สหายคนหนึ่งได้ปั้นเรื่องเท็จกล่าวหาสหายของเขาในที่สุดสหายของเขาก็ถูกราชบุรุษจับไปจองจำวันต่อมาสหายผู้เป็นโจทย์ได้ไปเยี่ยมสหายที่อยู่ในเรือนจำพอพบหน้าสหายผู้เคราะหร้ายเขาก็ร้องไห้คร่ำครวญว่าเขาเสียใจมากที่หาเรื่องจนสหายมาติดเรือนจำแต่ที่เขาทำเช่นนั้นก็เพราะความรักอนบริสุทธิ์ที่มีต่อสหาย ท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าชายคนนั้นรักสหายของเขาจริ ง, งรเรื่องของท่านแปลมากข้าพเจ้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าชายคนนั้นรักสหายเขาจริงหรอกทำไมละ่ะเขารักจริงเขาคงไม่ทำอย่างนั้นสิใครๆก็ไม่เชื่อทั้งนั้นว่าเขารักสหายจริงถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็เชื่อว่าไม่รักตนจริงทำไม ทไมท่านพูดอย่างนั้นพรมณะเพราะว่าเวลานี้ท่านกำลังหาเรื่องให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในเรือนจาหรือไม่ก็ให้ตัวท่านเองถูกประหารชีวิตมไม่ไม่เข้าใจเพราะอะไรท่านก็รู้ดีอยู่แล้วว่าในวาระสุดท้ายท่านจะต้องเป็นเช่นนั้นก็เมื่อท่านหาเรื่องให้กับตัวเองเช่นนี้ท่านจะมาพูดว่ารักตัวเองได้ยังไงเอา้า ว่าไงพวกเราที่สมณะพูดมาเนี่ยฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงยังงงอยู่งงมากเถียรงงงงเก่งๆเออเขาก็มีอะไรจะโต้เถียงไหมไม่มีแล้วหัวหน้าไม่รู้จะเอาอะไรมาโตเถียงเพราะที่สมณะพูดมาทั้งหมดนั่นอ่ะมันเป็นเหตุผลที่ถูกต้องอ่อท่านสมณะที่ท่านพูดมานั้นถูกต้องแล้วพวกเราไม่รักตัว จึงทําให้ตัวได้รับความยากลําบากทึงเพียงนี้อุบาสกเอ้ยบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ทราบชัดแล้วว่าพวกท่านรักตัวปรารถนาความสุขแก่ตัวแต่เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการจึงปฏิบัติต่อตัวเองในทางที่ผิดท่านทั้งหลายได้หลงเดินทางผิดมาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่รู้สึกตัวบัดนี้ท่านทั้งหลายรู้แล้วว่า ตัวเองเดินทางผิดซึ่งจะนำไปสู่ทุกข์ก็อยากจะถามว่าท่านทั้งหลายจะเดินทางผิดต่อไปหรือจะกลับมาเริ่มต้นเดินตามทางที่ถูกว่ายังไงล่ะบอกอาตมาสิ ท่านสมณะข้าพเจ้าขอสละทางผิดจะเริ่มต้นเดินทางถูกเดี๋ยวก่อนท่านหัวหน้าฮะมีอะไรอ่ะหัวหน้าอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจดิคิดดูดีแล้วหละอย่าลืมนะว่าหัวหน้าเป็นไอ้มหาจนทุกขีก็ความชั่วมาตลอดเวลาตัวของหัวหน้าแปดเพื่อนมนทินตั้งแต่ศรีรษะจดเท้าหัวหน้าเป็นที่เกลียดชังของมวลชน เป็นที่ต้องการของอาญาแผ่นดินถ้าหัวหน้าเลิก อ, อาชีพโจรหัวหน้าจะไปอยู่ที่ไหนและจะไปทําอะไรกินข้าตัดสินใจเด็ดขาดแล้จะเริ่มต้นเดินทางถูกเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงก็ช่างมันถ้าข้าจะตายก็ขอให้ตายในความถูกอย่าให้ตายในความผิดอย่างนี้แผ่นดินชมพูทวีตอย่างกว้างขวางนักทํามันจะไร้เท่าใบพุทธศาจก็ให้มันรู้ไป แน่ใจแล้วหัวหน้าขย้อนดาบพร้อมกับฝัดเข้าป่าไปแล้วไม่จําเป็นจะต้องถามถึงความแน่ใจของใครทีนี้ก็อยู่ต่พวกเองนั่นแหละว่าจะเอายังไงเอ อ, เ อ, อไอ้ยนกันมันโยนดาบเพ่งตามนายละ<ม>แต่สําหรับข้าแ้ข้าย้อนไว้ข้าเดินตามทางสายนี้มาจนอายุสี่สิบละแม้จะรู้ว่ามันผิดข้าก็จะขอก้มหน้าเดินต่อไปมันสายไปซะแล้ว ที่จะกลับไปเดินทางใหม่ข้าพระเจ้าขอตายในความปิดเยี่ยงไอ้มหาจรอนเอาแล้วคนอื่นนะ่ะข้าขอเดินตามทางฝึกไปพร้อมกับศรีห า, เ, าเพราะข้าได้พิจารณาดูแลเห็นว่าการกลับไปเดินตามทางถูกจะทําให้ข้าประสบความพิ น, นาศเร็วเขา่าแต่ถ้าเดินตามทางผิดต่อไปข้าอาจจะปลอดภัยราที่ยังไม่ถูกราชบุตรจับได้เป็นอันว่า มีผู้ที่เดินไปในทางถูกสองคนคือหัวหน้ากับลูกน้องอีกคนนึงส่วนผู้ที่จะเดินทางผิดต่อไปคือข้าสีษย์ห ก, กับปาลกะตัดสินใจดีแล้วเหรอศิษหักข้าตัดสินใจดีแล้วข ห, หน่าเอง่ะปาลกะ การตัดสินใจของข้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาละเป็นครั้งแรกที่เราต้องแยกกันหลังจากทำงานร่วมทุกร่วมสุขมาเป็นเวลานับสิบปีข้าเสียใจยต่อเหตุการณ์อนันาเศร้านี้